ในการทำพ่อครับเ อ, อผมขออนุญาตถามเ อ, อสิ่งที่สงสัยอยู่นะครับแต่ว่าอน อ, ออื่นต้องบอกว่าคําถามไม่ได้เป็นการรบรู้คาสอนแต่อย่างใดนะครับแค่เป็นการสงสัยในสิ่งที่ได้รับรู้มาแล้วก็ถามเพื่อความแน่ใจหรือว่าชี้แนะให้เกิดปัญญามากขึ้นนะครับผมขออนุญาตเรื่อถามเรื่องกันทําทานนะครับ อ, อ, อ, อยุคผมเนี่ย ก, ก็ได้ยินคําสอน ในสกสารพุทธมาเสมเด็จว่าการทําทานเนี่ยควรทําไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับทำด้วยใจบริสุทธิ์โอเคแบบถ้าระเบียบดีเทลก็ทรัพย์ินต้องได้มาโดยบริสุทธิ์ทํำด้วยใจบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแต่วก็จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าทําด้วยไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนก็คือทําทําเท่าที่เจะทําได้นะครับทีนี้พอเราย้อนไปฟังไม่ว่าจะเป็นชาดกหรือว่าพุทธะวัดอะไรๆได้ก่อนอื่นเราต้อง ที่ผมอา จ, จะเอาตัวเองในสมัยนี้ไปเปรียบเทียบกับยุคนั้นนะครับก็เลยอยากจะมีแแบกนิดนึงแต่ว่าอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเอผมเคยอย่างผมบอกเมื่อคืนรู้สึกว่าก็ได้คุยกับนุ้ยนะครับว่าเราเราผมเคยไปฟังตัววัดผมจําชื่อดเทลตัวละครไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีอุบาสิการท่านหนึ่งนะครับเจอพระอาคาธแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากทําบุญดัดตั๋วอาหารพระนะครับก็ กลับมาบ้านแล้วก็ไม่มีเนื้อเลยที่บ้านนะครับไม่มีเนื้อเลยก็เลยทําการเฉือนขาเฉือนเนื้อขาตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็ต้มแล้วเอาน้ําน้ำที่ที่ต้มจากเนื้อขาตัวเองเีไปถวายพระสงฆ์อาพาธนะครับด้วยด้วยความตาดพนาดีนะครับอพระสงฆ์ก็คงไม่ทราบนะครับก็อาพาธอยู่ก็ก็ฉันอฉันเนื้อไปพระเจ้ามาพบนะครับก็ก็ทรงถามพระสงฆ์รุกนนั้นว่า เออได้พิจารณาก่อนหรือไม่ว่าเนื้อที่ฉันคือเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อก็เลยรู้ว่าเป็นเนื้อเนื้อมนุษย์แหละพวกทรงคําหนฑ์นะครับว่าเออไม่ควรฉันเนื้อมนุษย์แต่ว่าก็เรื่องความที่พระสงฆ์เองก็ไม่ทราบส่วนพุทธองค์เองก็คงแบบตํัณฑ์ด้วยเมตตานะครับว่าเออควรจะสติว่าก่อนจะฉันควรพิจารณาสิ่งที่ฉันทุกอย่างก่อนนะครับทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของการเป็นบุญนนะครับเอ อ, อุบาสิกาท่านนั้นก็คงจะแบบ เอได้ได้บุญและคุดว่าตั้งใจทําบุญด้วยความหวังดีจตนาดีทั้งหมดนะครับผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วาการที่เราทําบุญเนี่ยเอเราควรทำํำจนแบบเราไม่มีเลยสอให้เรามีข้าวอยู่แค่แบบพอกินในมื้อนั้นนะครับแต่เจอพระเดินผ่านมาเราก็ยกทั้งหมดให้พระฉันเล ย, เยเกับเรารู้สึกว่าเราก็ต้องละวางแล้วเราก็นั่งกินข้าวมื้อนั้นเพื่อดลงชีวิตของเราเ ย่งไหนไมเป็นบาปเป็นบุญมากกว่าหรือว่าเราควรทาทานในแนวทางไหนที่ที่จะทําให้เรารู้สึกว่าโอเคผมมองว่าการทาทานอะ่ะอย่างแรกที่เราได้ก็คือความสบายใจนะครับความอมีเกิดใจในการได้ให้แต่ทีเนี้ย้าต้องทำให้จนเกิดร้อนด้วยนีอ่าอันนี้ก็ต้องนึกถึงคําสอนของพระเจ้าอนะที่ําสอนอย่างน้อยเรื่องของการกระทําเช่นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอย่างเงี้ยที่เรียกว่ามันเป็นศีล แต่ทีนี้เราต้องมองว่าทําแบบเนี้ยมันทําเบียดเบียนไหมถ้ามองว่าเบียดเบียนมันก็แสดงว่าไม่เป็นไปตามหลักคําสอนแต่ถ้าเป็นความรู้สึกของเขาว่าไม่ได้เบียดเบียนอะไรคือมันเป็นปจัจจตังนะท่านหลวงพ่อมองนะอ่นนะเออมันก็ทําได้แต่ที่เขาทําได้นี้แสดงว่ามีศรัทธามีแบดมีใจเกินร้อยเลยอ่ะนะทําไปแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นฐานที่บริสุทธิ์เนี่ย มันก็พูดยากนะเนอะทานที่บริสุทธิ์เนี่ยคือต้องได้มาโดยชอบคือทุกอย่างบริสุทธิ์หมดเลยไม่ไอตัววัตถุสิ่งของที่เป็นทานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าทานเนี่ยมันต้องมาด้วยความบริสุทธิ์หมดแต่ทีนี้ถ้าพิจรารณาแต่หลวงพ่อไม่อยากจะใช้ความคิดเลยเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นหลวงพ่อออกความคิดคนอื่นก็ออกความคิดสุดท้ายข้ความคิดก็คือสังขารปรุงแต่งเนาะแล้วก็คิดแล้วคิดไปคิดมามันก็สมมุติรู้แล้วเนี่ยมันไม่อาจจะ้นพ้นทุกข์ไปได้ เพรา ะ, ะผู้ที่อธิบายยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่เลยเนาะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ถูกต้องคือกลับมารู้ตัวเป็นปัจจุบันขณะว่าตอนนี้มีสังขารสิ่งใดกำลังปรากฏขึ้นในจิตในใจแล้วก็เกิดดับอย่างไงแล้วก็ให้รู้ว่าสังขาร น, นี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรารู้แค่นี้มันจะพ้นทุกข์แต่ถ้ารู้อย่างที่โยมถามเนาะกลายเป็นเรารู้แต่ไม่รู้เราแล้วสุดท้ายก็เรารู้เรื่องเขาแต่ก็เราก็ยังไม่พ้นจาก ควาเคยแก่เก็บตายเพราะฉะนั้นกลับมานี่รู้สึกตัวว่าตัวเราเนี่ยเป็นสังขารไม่เที่ยงแล้วสุดท้ายมันก็เป็นไม่ใช่ตัวเรามันจะได้จบในชาตินี้นอันนี้แนวการตอบนะเพราะว่าเน้นกันเรื่องของความรู้สึกตัวแล้วก็เรื่องของให้เห็นความจริงเห็นสัจจความจริงที่เป็นสังขารกับสัจจความจริงที่ท้นไปจากสังขารสรุปประมาณว่า ถ้าสิ่งที่เราตั้งใจทำครับมันบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเองไม่ได้เดือดร้อนชัยนะครับแล้วเราทําไปแล้วแล้วก็อย่าไปคิดต่อว่าว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับก็คือถ้าเราแบบได้ทํำแต่ที่ตั้งใจแล้วแล้วก็มันไม่ไม่ใช่สิ่งที่เดือดร้อนเราควรจะต้องละวางมันแล้วก็มองว่าเช่นเหมือนเราอาจะต้องใสใส่บาตรใช่ไหมครับเรามองว่ า, า, าถ้าเราใส่บาตรถ้าสูงนี่ละจะไปทำอะไรต่อก็ไม่ใช่ื่อของเราแล้วใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ที่เราได้ทําจบไปแล้วประมาณเยอใช่ไหมครับ อ๋ออันนี้ก็โอเคก็ถูกในส่วนเนาะแต่ส่วนที่ละเอียดตัวนั้นเนี่ยการกระทําเนี่ยจะต้องไม่หวังผลถ้าหวังผลใดๆเพราะว่าการหวังผลมันทําให้เป็นการสะสมสะสมเพื่อตัวเราเพื่อให้ตัวเราได้มีได้เป็นอะไรบางอย่างเช่นให้ตัวเราขึ้นสวรรค์ให้ตัวเราไม่ตกนรกอันนี้ก็ยังเวียนเกิดเวียนตายเพราะเหตุว่ายังมีตัวตนยังมีตัวเราอยู่แต่ว่าถ้าทําบุญทําคือสักแต่ว่าทําโดยที่ว่าไม่มีตัวตน ทำด้วยความว่างอ่ะทำด้วยจิตว่างว่างจากตัวตนว่างจากความปรารถนาสิ่งใดคือศัก์แต่ว่ากิริยาการทําเฉยๆอย่างเนี้ยถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดนอกจากนั้นยังมีความหวังมีความปรารถนาถือว่าเป็นฐานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้บุญเต็มที่แต่จริงๆอ่ะถ้ามันบริสุทธิ์จริงๆอ่ะก็ไม่มีผู้ได้บุญหรอกมันเป็นบุญแต่ว่าผู้รับบุญไม่มีเพราะไม่มีตัวตนของใครที่เป็นผู้รับ อันนี้มันอาจจะลึกซึ้งนะเป็นธรรมขั้นสูงแต่ว่าก็ฟังไว้ก่อนขอบคุณครับปรวัติาสตร์พรคุณเจ้าครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับอยากมาแชท้อนนิดนึงได้ไหมครับเป็ ส, นนนนส่วนตัวนะครับก่อนผมมาฝึกแบบรู้สึกตัวเนี่ยสมัยก่อนนะอย่ า, วาเวลาผมใสยบาตรเนี่ยผมก็จะอธิษฐานผมคือการขอนหะจะขอนโน่นขอนี่หมดตัวอย่างก็ขอแบบคนที่คนในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับ แต่พอผมรู้สึกตัวเนี่ยคือขออนุญาตสะท้อนเรื่องของตัวเองนะครับว่าเวลาผมผมใส่บาตร เ, เนี้ยผมไม่ได้ขอเนี่ยนะครับคําขอที่เราคิดว่าเป็นคําอธิษฐานเนะี่ยผมไม่มีแต่ในการอย่างใสบาตรเราจะรู้สึกที่มือนะครัมือถิอจิตอาหารการก่อเท่าหายานั่นครับก็ผมไม่รู้ว่าสิ่งนี้ก็ก็ขออนุญาตมาสะท้อนแล้วนะจะเองทอํายังไงครับ และผมก็ความรู้สึกเราก็รู้สึกก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีที่เราจะใช้ทำไมครับมนะผมก็ผมก็ใส่บาทแบบแบบรู้สึกตัวง่ายๆ น, นะครับ ส, ส, สันประมาณนี้คว อ, อนุญาตที่อภิชฌตรงนี้นครับ อ, อลองสังเกตไหมว่าผู้ใส่บาทเนี่ยมันยังเป็นตัวเราเราเป็นผู้ใส่บาทนะมองแค่ตรงนี้ไปก่อนเนี่ยว่าโอสุดท้ายนี่ยังมีตัวเราเป็นผู้ใส่บาท แต่ทีนี้ว่าถ้าเราเดินปัญญานะให้ถึงที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าในชาติปัจจุบันเนี่ยให้พึงเข้าใจว่ากิริยาการกระทํำดังนั้นนะคือเรื่องของสังขารที่มันเขาเรียกว่ามันมีกิริยาการกระทําไม่ใช่เราเป็นผู้ใส่บาปแต่ยังใส่อย่างนั้นแหละใส่เหมือนกับเหมือนเดิมมันแหละแต่ให้เข้าใจถูกว่านั่นคือสังขารนะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของสังขาร เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เราเพราะก่อนหน้านี้หลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องความเป็นสังขารอนิจังทุกขังอนัตตานะพูดหมดแล้วว่าสิ่งเนี้ยต้องเข้าใจในเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ได้เป็นเบื้องต้นไว้ก่อนเลยว่าทุกอย่างมันมีแต่สังขารนะไม่ใช่เป็นตัวตนอะไรหมายความว่าเราจะจะเนี่ยจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะใส่บาตจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้พิจารณาว่าการกระทําเนี่ยมันเรื่องของสังขาร ไม่ใช่เราแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ได้สิ่งนั้นเพราะมันไม่มีเรามาตั้งแต่ต้นแล้วอันเนี้คือเขาเรียกว่าทําความเทําให้แจ้งในสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเนี่ยจนกว่ามันจะหมดสงสัยจริงๆแต่ถ้าไม่เริ่มต้นตรงนี้เนาะมันลืมตัวแล้วก็สุดท้ายก็เนื่นช้าหมดเลยเนื่นช้าก็ทําให้บางทีก็เรียกว่าตายไปที่ก่อนเนี่ยคือขันห้าแตกเนาะตายไปที่ก่อน แต่ถ้ามีปัญญามากเนี่ยมันเข้าใจได้ก่อนตายก่อนตายจริงอ่ะน เ, นเขาเรียกว่าตายก่อนตายผม ก, ก็ก็ให้คาแนะนําอย่างนี้โทูลกระหม่อมพ่อก็ส่วนตัวเองยังยังตรงนั้นยังจะครับใช้คำว่าไงยังไปไม่ถึงครับผมยัเป็นผู้ใหม่มากเลยครับผมเจ็ดเดือนนะครับที่ฝึกโดยสึกตัวมาเนี่ยก็ครับแตเพียงแต่รู้สึกตัวได้ครับตอนสึกตัวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อ คิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหาผมไม่มีความคิดนะณโมเมนต์ที่ผมผ ม, ผมใส่บาท น, นะครับก็ครับเมื่อกี้บอกว่าผมยังไปไม่ถึงนะจริงๆต้องเป็นปัจจุบันเมื่อไม่มีผมถูกไหมเมื่อไม่มีผมไม่มีเราเนี่ยมันไม่มีใครที่ต้องไปให้ถึงเนี่ยให้เป็นปัญญาในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้คือไม่มีใครต้องไปให้ถึงเพียงแต่รู้ว่าปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ มันมีแต่สิ่งที่กําลังปรากฏเนี่ยเช่นคําถามบ้างการพูดบ้างความคิดบ้างความรู้สึกบ้างทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือสังขารไม่ใช่ตัวเราเพราะมันกําลังแสดงความเกิดดับให้เห็นอยู่ว่าก่อนเข้าคลับความคิดชนิดนี้ก็ไม่มีพอเข้าคลับนั่งไปนั่งมามันก็ผดคิดคือเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ดับไปแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นไปคุยเรื่องอื่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กําลังถามกําลังพูดกําลังคิดกําลังรู้สึกทุกชนิด มันแล้วแต่เป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเราต้องรอว่าเมื่อไหร่จะถึงไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ถ้ามันคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงอันนั้นก็คือบางสังขารเหมือนกันก็รู้เท่าทันว่าเออมันก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นแท้จริงก็คือไม่มีเราต้องไปถึงหรือต้องไปได้อะไรมันมีแค่สังขารเกิดนบครับกาาจาร์สบาวา น, วนี่ยมจะไม่ใช่เราเะหลาเรนเซลล์นะ คือมันผมก็ฝึกต่อไปครับให้เราครับผมแล้ฝึกต่อไปครับอาจารย์ครับจากนักศึกาาครับคือจริงๆผมก็จะไม่แชรเรื่องบุญนี่แหละครับแต่พอหลวงพ่อตัดจบลงแล้วจบไปด้วยก็เลยแบบไม่จะไม่ไม่พูดอะไรดีกว่าแต่ก็ก็สักนิดก็ดีครับหนึ่งมันะขึ้นมละคือจริงๆความเข้าใจในเรื่องของบุญกุศลนะครับครั้งหนึ่งผมประสบการณ์นะครับ ผมมีความรู้สึกว่าผมผมอยากทําบุญมากเลยแต่ผมก็รสึกอ่ผมมีเงินน้อยจังเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยนั่งคุยกับข้างในของตัวเองข้างในผมเขก็ตอบถามผมว่าออ่ลูกลูกเข้าใจว่าเงินบาทหนึ่งกับเงินล้านหนึ่งมันต่างกันไหมลูกผมบอกว่าต่างคับสิครับเพราะว่าเงินบาทหนึ่งกับเงินล้านนึงจะปริมามันต่างกันมากเลยท่านบอกโอ้อะไรที่มันวัดความต่างล่ะผมบอกความรู้สึกผมไงท่านบอกเออเนี้ยะเหมือนกัน ความรู้สึกบากนึงกับร้านหนึ่งมันไม่ต่างกันหรอกถ้าหัวใจของลูกให้ทั้งหมดนะครับบุญกุศลมันไม่ได้หมายถึงว่าอา่อยู่ที่ปริมาณหรืออะไรเลยครับมันมันอยู่ที่หัวใจของเราครับหัวใจที่ที่มีอยู่ในขณะที่กําลังเกิดการให้หรือการเสาะหาอไปเนี่ยมันเป็นทั้งหมดทั้งหัวใจหรือเปล่าคุณค่าหรือปริมาณที่โลกกาลังชีวัดบอกว่ามันมีมูลค่ามากมายอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่มันเป็นสมมติไปหมดเลย คุณค่าจริงๆมันมันคือการสละราะวางสละจากความยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนการทําบุญก็เหมือนกันครับมันคือการสละจากความยึดติดทั้งหลายแม้นบุญกุศลที่จะกระทํามากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ความเป็นพุทธะเนี่ยสว่างสวยขึ้นหรือทําให้พุทธะที่ที่มีอยู่แล้วปรากฏขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เนื่องด้วยกันละกันนะครับ คือความเป็นพุทธะหรือคุณสมบัติแห่งจิตแห่งพุทธะเนี่ยในทุกๆคนล้วนมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าม่านแห่งบนเพลินหรืออวิชชา ต, ต่างๆที่ปกติดบังแต่การชี้กลับมาให้เห็นถึงความรู้สึกตัวรู้เราหรืออะไรนะครับนี่คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการแจ้งต่อสภาวะเหล่านั้นส่วนเรื่องของทาบุญทาทานก็เป็นแค่การอนุเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบ ว่าเราความเป็นเราเนี่ยครับมันติดอยู่ตรงไหนมันยังคล้องเกี่ยวกับอเรื่องอะไรอยู่ส่วนจะทําไปแล้วเปลีป่ยนแปลงตัวเองหรือไม่มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมบางเรื่องมันเป็นเป็นสิ่งที่มันบางครั้งเราอาจว่าจะา จ, จะชวนคุยไปไกลเลยบางทีว่าเออทําไมเขาสามารถตัดเนื้อตัดหนังตัวเองได้บางทีมันเป็นเรื่องใหญ่ว่านั้นครับเรื่องที่เขาไม่ได้คิดจนะว่าเออมันมันมันไม่ใช่ตัวเขามันเป็นแค่เครื่องมือในการที่จะอุทิศออกไปแท่นั้นเอง แต่ตรงนี้มันเป็นกำลับบงใจขั้นสูงที่จะต้องประกอบด้วยปัญญามากกว่าที่จะคิดว่าจะตังเติมจัดหนังตนเองอะไรอย่างนี้คระมันมันมากขนาด น, นี้ครับแะ่สำหรับการที่หลวงพ่อชวนชี้ถึงการรู้เราเนี่ยสําคัญนะครับรับสั้นที่สุดแล้ว <laughs> โอเคครับเท่านี้หละครับเรวนี้ก่อนเลยค่ะน้องนี่ผมผมมีเรื่องถามคุณธรรมะครับคือเคยเคยยินเรื่องฉีตังมีไหยครับเห็นยังไงบ้างครับ ชิตางมีก็แบบเดียวกันนะครับก็ความจริงแล้วมันมันก็เป็นสิ่งที่สลัดได้ยากกำลังใจสูงสุดที่วัดกันนะครับถ้าคิริวผื่นหนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่มูลค่าของมันมันมันก็คืออ่าสมบัติของเจษฐี กับสมบัติของยาจบมันมันมันต่างกันเนาะอาจจะต่างกันในแง่ของความจิดติดอะแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้ต่างกันต่อมูลมูลค่าหรืออะไรแต่ว่าเพียงแต่โลกอุปโลกมันว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าหรือหรือมากหรือน้อยท่านั้นเองครับแต่หัวใจที่สละออกไปต่างหากที่สําคัญนะครับการการที่มีสิ่งต่างๆอยู่เหล่านี้ในในโลกแบนี้ครับมันมันเป็นเรื่องของสมมุตินะครับมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเพียงเหมือนที่จะเขาพูดว่าสมบัติถัดกันชมนะครับสิ่งที่เราครอบครองในวันนี้มันไม่ใช่เป็นของเราตลอดไปหรอก มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่นั้นเองครับแต่หัวใจที่กล้าสละออกไปนั่นแหละสำคัญที่สุดแล้วที่เขาบอกว่าปิดบัญชีโลกเปิดบัญชีธรรมเนี่ยครับมันสมบัติผัดกันชมอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกันไหมครับคืออสถทามความเห็นครับถามเพื่ออะไรครับคือเมื่อสักครู่ะครับเมื่อสักครู่มีคนถามเรื่องอ่าการสละ แล้วตัวเองเดือดร้อนแล้วก็พูดถึงเรื่องการตัดขาใช่ไหมครับครับแล้วก็เรื่องของเมื่อสักครู่ที่ทางคุณธรรมะพูดถึงเรื่องการ เ, าเงินโทอมันของเน่ากายเรื่องชิตตังเม่กรณีทั้งหมดเนี่ยครับแล้วรวมถึงปิดบัญชีโลกเปิดบัญชีธรรมด้วยครับทั้งหมดเลยเนี่ยครับมันคือการสละออกทั้งหมดแล้วคือตัวเองเนี่ยก็คือแบบหมดหมดเลยอย่างเช่นชิตตังม่เนี่ยก็คือผ้าก็คือมีอแค่นี้ก็ ก็สละหมดเนี่ยครับปิดบัญชีโลกเปิบัญชีธรรมก็เหมือนกันใช่ไหมครับว่าสละหมดซึ่งอ่าก็ก่อนนั้นเนี่ยก็มีมีมีมมมท่านหนึงสงสัยแล้วก็สอบถามเรื่องว่าทาอย่างเงี้ยเราเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันสมควรไหมเนี่ยครับแต่ว่ามาสักคู่เนี่ยทางคุณธรรมบอกว่ามันอยู่มันคือการฝึกใจมันก็คือการฝึกการฝึกสละการสละเนี่ยมันก็คือต้องสูญเสียเราต้องสูญเสียถูกต้องไหมครับมันคือการฝึกให้เราสละออก ถ้าเกิดเราไม่สูญเสียเราก็ไม่ได้สละถูกต้องไหมครับเอ่อผมก็เลอยากทราบความเห็นครับว่าการที่เราสละออกแล้วเราสละออกแบบด้วยความแบบเต็มที่เนี้ยครับชิตังเมที่ที่ผมสอบถามเนี่ยครับไดความเห็นนะครับว่าของคุณธรรมะเนี่ยครับมันเราเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเอ่อหรือมันคือการฝึกหรือยังไงนะครับโอเคครับเข้าใจประเด็นแล้วครับเอ่าจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายสูงสุดมันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่วัตถุนะครับ มันอยู่ที่ว่ามันหมดจากความเป็นเราครับถ้าถามจริงๆว่าตอนนี้มันมีเราจริงหรือเปล่าถ้าหากยังมีเราอยู่เนี่ยมันก็จะทุกข์ทรมานกับความเป็นเรานะครับเพราะว่าเป็นเราทุกข์นะครับแต่ถ้ามันหมดจากความเป็นเราแล้วมันไม่มีทุกข์นะครับถามถึงว่ามันมีการสูญเสียไหมความเป็นจริงมันมีการสูญเสียจริงๆหรอครับการเกิดการตายมัจริงมันมีใครเกิดใครตายจริงๆหรอครับมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนผ่านเท่านั้นเองนะครับเพราะถ้าจากมันเป็นแบบนั้น ถ้าเข้าใจด้วยปัญญาอย่างแท้จริงหรือว่าเข้าใจในในสิ่งนี้อย่างแท้จริงครับมันไม่มีการเกิดไม่มีการอ่าไม่มีความไม่มีจะมีอะไรกันที่มีใครไม่มีการได้มาไม่มีการเสียไปครับสิ่งที่สละออกไปคือความยึดติดของความเป็นตัวเป็นตนครับไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีอะไรเลยในโลกนี้อย่างนี้แหละครับบอกถูกใครบอกผิดนะครับผมเข้าใจถูกใช่ไหมคือทางทางคุณทํามากไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอแปลกหนาละครับ คือไอ้ความเห็นแบบนี้ผมมองว่ามันความจริงมันมีพระพจ้เจ้าไม่ได้สอนว่ามันไม่มีอะไรเลยไงครับหรือเท่าที่ผมเข้าใจอะคือคือทุกอย่างมันมีมันจะเกิดขึ้นตามเหตุปัจัยถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันไม่ใช่ว่ามันไม่มันไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดกุศลอกุศลพระเจ้าสอนหมดครับแต่ว่าถ้าเรา คือผมเคย้ยินไอ้เหล่านี้เยอะอะครับพอ่อืคุณนี่ครับสวัสดีครับคือจะอธิบายว่าสิ่งคือถ้าเกิดผมว่าน้องเป็นคนที่ศึกษาเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าแต่ก็ดีๆใจด้วยนะครับที่น้องศึกษาเพื่อความหลุดพ้นครับแต่ว่าสิ่งสาคัญนนะ่คือเราต้องศึกษาในในตัวเราครับ อย่างตรงนี้น้องน้องรู้สึกตัวไหมว่าน้องกําลังสงสัยตอนนี้ใช่ไหยครับผมกำลังคุนเรื่องสงสัยแบบใช่ครับเรื่องประเด็นเรื่องความเห็นครับใช่ใช่ครับแล้วก็ความเห็นที่ถูกความเห็นที่ถูกก็จะนําทางไปสู่การทําที่ถูกต้องใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเกิดผมเห็นผมก็ต้องบอกไอ้ความเห็นตรงเนี้ยนะครับผมเห็นว่ามันไม่มันไม่สอดคล้องกับคําสอนของพระเจ้าเนี่ยครับอย่างถ้าพูดถึงเรื่องอนัตตานี่ยครับครับ ใช น, นใช่ใชผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ว่าไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีอะไ ร, รแต่ว่าอในในมุมมองเขาคือตอนนี้เราแลกเปลี่ยนกันนะครับน้องน้องอย่าเพิ่งน้องอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดที่อยากให้น้องลองเอาพิจารณาดูก่อนสิ่งที่เราเกิดมาในที่สุดนะครับในการยึดติดเนี่ยพระพุทธองค์บอกเสมอว่าเรามีกายกับใจใช่ครับเรามีกายกับจิตแต่สิ่งในชีวิตของคนเราเนี่ยที่เรายึดติดที่สุดก็คือจิต อารมณ์ความรู้สึกถูกไหมครับที่ท่าจังเขาพี่ถามน้องไม่ใช่ว่าน้องถูกหรือว่าผิดพี่แค่แค่อยากให้น้องลองพิจารณาดูก่อนว่าเราเห็นไหมว่าเรากําลังสงสัยหรือว่าเรารู้ตัวไหมว่าเรากําลังพูดเนี่ยครับอย่างที่คุยกับน้องพี่ก็เข้าใจนะว่าเออพี่ตัวที่กําลังพูดตัวที่กำลังอธิบายแต่ว่าพี่ไม่ไม่ไม่ ไ, มได้มีความรู้สึกว่าเ อ, อน้องจะเข้าใจหรือไม่อะไรไครับ ธรรมะพุทธองค์บางครั้งนะครับมันก็มากกว่าคำว่าเหตุผลนะครับแต่พี่ก็ไม่แปลกใจนะพี่พี่ได้ฟังน้องมาสองวันเมื่อเช้าก็ได้ฟังครับก็เข้าเ ข, ข้าใจในสภาวะนะแต่เพียงแต่แบบว่าคือมันว่าอยากให้น้องลองพิจารณูก่อนครับในสิ่งที่พวกพี่คุยเนี่ยน้องอย่าเพิ่งเอาว่าอันนี้เอาถูกอันนี้เอาผิดอยเนี้ยครับก็แค่อยากให้ลองพิจารณาดูนะครับพี่ไม่ไม่ได้มีอาคติอะไรนะแต่ก็ยังดีใจกับน้องเลยว่าน้องอายุแค่นี้น้อง ศึกษาพุทธศาสนามาขนาดเนี้ยก็ถือว่าน้องเป็นคนที่มีมีมีความอยากพ้นทุกข์นะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่พี่ยินดีนะครับแต่ว่าอย่างธรรมะที่พระอาจารย์สอนเนี่ยคือเมื่อก่อนพี่ก็เป็นคนอ่านเยอะดูเยอะครับแต่เราจะรู้จริงๆว่าเราพ้นทุกข์ในทุกทุกเวลาเราเจอทุกข์ครับเหมือนว่าสมัครน้องศึกษาเรื่องไอ้น้องชอบพูดเรื่องอะไรครับมาที่โอ๘ใช่ไหมครับฮั ล, ลครับได้ยินพี่นะครับ อ่าที่ผมกำลังพูดเรื่องสมาธิภิกษุสมาสังัปะใช่ใช่ครับอันทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังบอกว่าไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยที่พระเจ้าตัดเรื่องสมาธิภิกษุสมาสังคปะเป็นเรื่องไร้สาระถูกต้องครับใช่ไหมครับไม่ต้องไปสนใจถุกน้องไหมครับน้องน้องน้องอยากให้ี้อย่างนั้นซึ่ยังให้น้องชี้อย่างงั้นพี่ว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดมามันเหมือนว่าเรากําลังเอาเครื่องมืออะไรบางอย่างไปต่อสู้กับทุกเพื่อให้เราออกออกจากความทุกนี้ได้ ที่ไม่เคยว่าไม่ไม่เคยว่าไอ้พวกที่น้องพูดมามันไม่ถูกนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยในข่าวพั์ที่เราคุยจะเนี่ยเราคุยจะเรื่องตัวรู้ถูกไหมครับเป็นหลักน้องก็จะเข้าใจว่าเออและอย่างอื่นไม่ต้องสนใจแล้วเหมือนว่าเราศึกษาแล้วเราเอาตัวรู้เนี้ยไปเป็นตัวศึกษาอีกทีนึ่งว่าเออมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยจริงไหมเหมือนเรามองอะไรบางอย่างนะครับเรามองใบไม้อย่างเงี้ยเนาะตอนนี้มันเป็นสีเขียวไอ้สักแป๊บหนึ่งมันก็ จะเริ่มจางๆลงสุดท้ายมันก็ลวงก็คือการศึกษาครับพี่อยาให้น้องเออลองศึกษาในจิตใจตัวเองดูก่อนมันมีในเราหมดแหละครับไม่ว่าจะโกรธไม่ว่าจะไม่เข้าใจไม่ว่าจะพอใจไม่ว่าจะยินดีมันอยู่ในจิตนี้หมดเลยถูกไครับในถ้าทุกอย่างมันถึงพร้อมแล้วมักมีองค์แป้นก็จะเกิดขึ้นแต่สิ่งๆนี้มีจริงที่น้องเข้าใจถูกทุกอย่างนี่มีจริงครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปเห็นจริงๆอันเนี้ยครับเป็นวิปัสสนา พี่อยากให้น้องลองลองพิจารณาดูไม่ที่พี่ไม่ได้เถียงนะแต่ที่ก็พูดในมุมมองที่พี่เห็นเพราเราแลกเปลี่ยนกันได้ครับหวังว่าสิ่งที่พี่พูดอ่ะจะทําให้น้องอาจจะยังไม่เข้าใจตอนนี้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจเลยหรือหรืองนมันก็ต้องลองพิจารณาดูครับมันมันคนละเรื่องกันนะครับคือผมพูดถึงเรื่องความเห็นความความเห็น<ช>ความเห็นแล้วลองลองลองพูดเรื่องความเห็นน้อง <rance. S 1> <ๆ S 2> น้องมีความเห็นในเรื่องของมระมีองค์แปด ทต่ี่มีความเห็นที่คุยกันเนี่ยที่พี่มีความเห็นเรื่องตัวรู้ตัวรู้จะพาให้พี่ไปเห็นมันก็คือเหมือนอแต่พี่อธิบายแต่ถ้าน้องไม่เข้าใจแล้วจะว่าพี่อธิบายผิดอันนี้อันนี้พี่ก็ยอมรับได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับครับแต่อันนี้มันเป็นความเห็นเนาะชี้ไม่ได้ว่าน้องถูกหรือว่าพี่ผิดนอกจากมันนึงที่เราเข้าไปเห็นเองเท่านั้นแหละครับเราจะรู้ว่าสิ่งนี้ถูกหรือว่าผิดก็อันนี้คือเราเรียนตามคําสอนทุตจาวตามเทรวาใช่ไหมครับ ถ้าเกิดมันไม่เป็นไปนตามคําสอนมันก็ไม่ใช่ของพุทธไงครับอ ย, อ, าายอย่างเช่นถ้าเต้นลิงของพระยันตะเนี้ยครับมันพระเจ้าไม่ได้สอนใช่ไหมครับมันก็ต้องผิดถูกต้องเลยครับแต่ถ้าเกิดพระเจ้าสอนเรื่องอะไรสติสมาธิถ้าเราพูดถึงเรื่องสติสมาธิตร ง, งตรงตามคํสาสอนพระเจ้ามันก็ถูกอย่างเช่นอะไรการดื่มเหล้ามันผิดศีลอย่างเงี้ยพระวินัยบอกว่าผิดศีลเอ้ยพระวินัยบอกว่าผิดใช่ไหมครับเป็นอาบัติอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องผิดตามที่ บรรยัตตามเทวาตามที่เราศึกษาตามตำร า, าใช่ไหมครับมันก็ต้องอิงตำราอย่างเงี้ยครับคือคือแบบนี้คื<ม>อคนบรรยัตครับไม่ไม่ไๆ่ไม่ใช่ครับคือตอนเนี้ยครับเนานะเราจะพูดเรื่องตัวรู้และการเจริญสติก็คือเราจะเอาตัวรู้และการเจริญสติเนี้ยเข้าไปดูสภาวะจริงๆของเราเอาเข้าใจนะครับแต่สิ่งที่น้องพูดเนี่ยทำมาพระพุทธองค์มีสามอย่างใช่ไหมครับมันมีฟังมันมีคิดแล้วก็วิปัสสนาถูกไหมครับ แต่แต่ถ้าเกิดเราฟังแล้วเราจริงตนาการเนี่ยมันก็เป็นระดับความคิดแต่ถ้าวิปัสสนาจริงๆนะครับในความเข้าใจของพี่พี่ไม่คิดว่าไม่ไม่ได้คิดว่าทุกคนอยู่จะเข้าใจตรงกันนะพี่คิดว่าคือการสังเกตสังเกตอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเราไม่คิดโดยสังเกตจากจากจิตใจเรานี่แหละครับบางทีเราก็มีความโมโ ห, โหบางทีเราก็มีความสุขเราก็มีความทุกข์เนี่ยครับคือเราลองไปดูมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เรา ที่พระองค์พูดมาเป็นความจริงทั้งหมดนะมันจะเข้าไปในใจมันไม่ใช่ความจํามันไม่ใช่จินตนาการครับแต่มันจะเป็นสิ่งที่สติจะพาเราไปเห็นของจริงครับแล้วของจริงมันจะปล่อยวางนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับทุกคนเน่ยพูดกันได้หมดเหมือนตัวผมเองก็พูดได้ว่าอ๋อเจออันนี้ปล่อยวางได้แต่คําพูดเราปล่อยวางกับปล่อยวางจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะครับแต่เราจะปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์จริงๆ อาจารย์กำลังสอนให้เราเอาสติแล้วก็ตัวรู้เนี่ยลองไปศึกษามันดูนะครับที่ไม่ได้ว่าน้องหินนะแต่เราก็แลกเปลี่ยนกันได้ไงครับครับอ่ะคุยคุยคุยแล้วอของพี่กระหนครับเอย่างเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงอะครับก็คือการ<ช>วิธีการในการที่ต้องทํำยังไงถึงจะถูกใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นอ่ะความเห็นความคิดถูกต้องเลยครับ<ช>แต่แตพอเวลาเราเอาไปทําเนี่ยอันนี้ก็คือการ เป็นการปฏิบัติใช่ไหมครับเป็นการเอาไปทำใช่ใช่ครับแต่ทีเนี้ยเวลาเราคุยเนี่ยเราก็คุยกันว่าต้องทํำยังไงถูกต้องไหมครับอย่างเช่นครับเอ่อได้ยินเสียงก็รู้ใช่ครับก็คือเราคุยกันว่าต้องทําแบบนี้ใช่ถูกต้องไหมครับใช่อครับที่เพ็ญเพราเวลาเราคุยอ่ะเราก็ต้องคุยทฤษฎีว่าจะทํำยังไงแต่ทีเนี้ยครับครับเวลาเราจะคุยที่เนี้ยมันก็อยู่ที่ประสบการณ์แต่ละคนนะครับใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าในกอ อมีความรู้เออ่ระดับนี้เขาก็จะมีความคิดความเห็นระดับนี้บในขอศึกษาตำรามาเยอะแต่ว่าไม่เคยเอาไปใช้จริงเขาก็จะมีความคิดความเห็นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับครับในคอปฏิบัติเยอะอ่านตำราน้อยก็จะมีความคิดความเห็นอย่างนี้คือการแต่ละคนนะครับที่ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ ถ, ถ้าใช้สัพ ง, ง่ายๆคือมีประสบการณ์มีมีความรู้ทางทฤษฎีมีประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขาก็สามารถที่จะเอามาคุยกันได้มาคุยกันในความคิดความเห็นทีเนี้ยถ้าอย่างอผมเคยได้ยินแบบพวกรุ่นพี่นะครับที่เขาบอกว่าเรียนเนี่ยกับตอนไปทางานเนี่ยมันไม่เหมือนกับหลอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแจกแจงได้อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเราคุยกันด้วยความเห็นความเห็นของเขาเนี่ยมันมาจากประสบการณ์เขาก็จะอธิบายว่าแล้วที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนอย่างเนี้ยแต่พอไปไปทําจริงๆไปทางานจริงๆอย่างเงี้ยครับรุ่นพี่เขาจะอธิบายมาให้ฟังว่า เออมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะคุยกันได้เพราะความเห็นความมันคุยกันด้วยความเห็นได้แต่แต่ถ้าแบบอย่างเคลมดวัตถุครู่ครับถ้าพี่มาบอกว่าคุณต้องทําคุณต้องปฏิบัติอะไรเงี้ยมันมันก็จะคุยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างเช่นเราคุยประเด็นเช่นเรื่องเรื่องอะไรอะมันไอเรื่องวัตถุครู่อะเรื่องไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยพอเรายกประเด็นขึ้นมาเนี้ยเราจะคุยเรื่องประเด็นเนี้ย แต่พอออย่างที่เราบอกว่าเอ้ยคุณต้องรู้ตัวนะคุณกำลังพูดไอ้ความรู้หรือประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะไม่ถูกกันคุยกันทั้งๆที่มันอาจจะหีนัยหรืออะไครับว่าเพี่ร์เพียร์พี่เพียร์พี่ชายเพียร์เพียร์พี่ชายน้องวันนะครับถ้าน้องจะฟังเรื่องมาดงเว่ามันที่จะแทนที่คนที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับว่าอ่อย่างรุ่นที่ผมที่เรียนจบไปแล้วเนี่ย เข า, าอธิบายว่าอย่างประเด็นเนี่ยคือคุณต้องทำอย่างนี้นะวิธีการอย่างนี้มันถึงจะเวิร์แล้วมันจะมีปัญหายอย่างนี้มาอธิบายให้คนที่ที่มีคำถามหรือคนที่ไม่รู้เข้าใจไอาอย่างนี้ครับเขาก็จะมีความรู้ที่ถูกต้องว่าเออจะต้องเป็นยังไงเขาก็จะเดินเดินในแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าถ้ามันเป็นเคสอย่างที่พี่พี่เกิดเหตุการณ์เมื่อสักครู่อะครับก็คือว่าคุณไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันเป็นยังไงที่ถูกต้องเป็นยังไง ทีเนี้ยไอ้อย่างผมอ่ะยังยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยพอเวลาผมไปทํา ง, งานผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็พอไปถามเขาก็จะไม่บอกเขาก็จะบอกว่าเอ้าคุณก็เรียนเไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมก็ไม่รู้แล้วแทนที่เหมือนรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์เขาเล่าให้ฟัง่งเงี้ยเขาก็ไม่เล่าอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้พอเวลาผมก็ไม่รู้ว่าทางที่ถูกเป็นยังไงผมก็ต้องไปเรียนรู้เอาเองอย่างเงี้ยครับหรือบางทีอาจจะไปในทางที่ผิดอย่างเงี้ยครับ อ่าประเด็นเนี้ยก็คืออันนี้ยครับก็คือประเด็นที่ผมเอามาคุยว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือความความเห็นไอ้ความเห็นของคนเนี่ยครับคือคนไหนมีประสบการณ์หรือนี่อะไรเนี้ยก็เอาความรู้ความเห็นเนี่ยมาคุยกันได้เนี่ยครับคือถ้าผมเห็นไม่ถูกก็คุยกันเนี่ยครับมันก็จะไปต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่คุยแล้วเรามาบอกว่าคุณรู้ตัวไหมอย่างเงี้ยในปัจจุบันเนี้ยมันก็มันก็จะคุยไปต่อไม่ได้ครับตรง น, น, นี้อที่คุยให้น้องฟังแล้วแต่น้องเราไม่เข้าใจ จะเข้าใจของน้องเป็นแบบนั้นจากนี้เนี่ยก็คือว่าเราที่อธิบายไปพี่ชื่นบ้าพี่อธิบายตามที่พี่เข้าใจนะแต่ถ้าน้องไม่เข้าใจอ่ะพี่ก็ไม่มีจะอธิบายยังไงแล้ะครับอันนี้เชื่ก็เข้าใจนะว่าเออแต่พี่พี่บอกน้ะว่าคือข่าวที่พอาจารย์เปิดเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าการเจริญสติเนาะเพื่อที่ไปเห็นตัวรู้แต่ถ้าน้องจะเอามาในองค์แปอย่างนั้นน่ะน้องก็ต้องไปเข้าห้องที่เขาเออโอเคถ้าลวงพูดมันเป็นแบบนั้น มันก็อีกอีกอย่างนะครับที่อังนี้คือคือสิ่งที่อยากอธิบายกับน้องนณณตรงนี้ครับแค่แค่นี้แหละครับที่ไม่มีอะไรแล้วครับขอบงุณครับไม่ทราบว่าคุณเลนครับพอดีผมอยากถามหลวงพ่อนะครับข้อนญาตได้ไหมครับได้คือว่าวัตถุประสงค์ของน้องน่าจะเปิดให้เพื่อนพอมากกว่าน้องก็แล้วหลวงพ่อครับคือคือจริงๆผมก็เอ่าเป็นคนไม่ค่อยมีสติเยอะนะครับสมัยก่อนแล้วก็กะทั้งบวชมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า ะยะหลังๆคล้ายๆเราเราก็อเปคล้องห้องแล้วก็เราฝึกลมหายใจครับพระอาจารย์ครับแล้วเราก็เราเราก็ลองลองไปแอพพลายในเรื่องงานดูครับพระอาจารย์แล้วอย่างเมื่อล่าสุดเนี่ยประชุมนะครับพระอาจารย์ครับกดว่ามันมันเจอภาวะอีกหนึ่งครับคือพอเราเลิกเลิสบายแล้วก็ขึ้นแต่พระอาจารย์คือคล้ายๆมันเหมือนมันเหมือนเวลา ไอคนที่เคยโกรธกันมานะครับอยู่ดีมันคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนมันอยู่ดีมันก็มันก็เชื่อมโยงกันได้คือเคยล้ายถ้าถ้าแต่เดินเนี่ยตอนที่เราไม่ค่อยมีสตินะครับตอนตอนคล้ายๆเราไม่ได้ดูลมหายใจอยู่ดูดูกายมากๆอ่ะพระอาจารย์มันเหมือนมันเหมือนมันมันเป็นตัวรู้แต่มันเป็นตัวมันรู้คล้ายๆเหมือนมันเหมือนเป็นความทรงจําเดิมประสบการณ์แย่ๆที่เคยคุยกันอ่ะพระอาจารย์แต่พอเราตัวรู้มาเนี่ยเหมือนเหมือนแท่ที่จะคิดจากสมองมันคิดจากใจมากขึ้นอ่ะอาจารย์ แล้วก็ปรากฏว่าจากบรรยากาศแย่ๆเนี่ยเราสามารถเอ้ยอยู่ดีมันเชื่อมโยงกันได้แล้วไปทํางานกันได้ออาจารย์อันนี้อันนี้คือมันมันเหมือนจะมันคล้ายๆมันมีสติอาจารย์แล้วก็แล้วเวลาอะไรที่มันออกมามันออกมาแบบพูดออกมามันก็พูดออกมาดีอ่ะอาจารย์แล้วก็กลายเป็นความร่วมมือกันได้อีกเนี่ยอาจารย์อันนี้เรียกว่าเรากําลังเราเจอผมแน่นอนผมคงแล้วแล้วก็มันมันก็เหมือนมีมีคล้ายๆบอกมันมันก็รู้ตัวเองพูดอะไรด้วยนะอาจารย์ แต่แต่มันมันไม่ได้เกรงมันไม่ได้อะไรเลยแต่มันออกออกมาดีมากมากเนี่ยท่านอาจารย์อันนี้อันนี้คือคือเราก็ค่อนข้างโอเคใช่ไหยพระอาจารย์คือรู้สึกตอนเนี้เห็นคุณค่าของการเออจะทำอะไรก็หายใจลึกสักหาครั้งเนี่ยอาจารย์พออยู่กับบอดี้ร่างกายเราได้แหละมันมันมันดีกว่าที่เราจะไม่ทําอ่ะพระอาจารย์นีขอขอความรู้ครับผมก็ตอบแบบนี้แล้วกันเนะ<พ>าะว่าสิ่งที่ยอมเล่ามาเนี่ยมันเป็นผล มันเกิดจากทาเหตุมาอ๋อครับนี่นี่คือผลมันเป็นเหตุเพราะว่าทุกอย่างมันมันต้องมีเหตุมีผลนะเป็นเป็นกฎเป็นกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าถ้าทำเหตุอย่างนี้มันก็ให้ผลอย่างนี้ น, นั่นคือมันกำลังแสดงความจริงเหมือนกันจะเรียกว่าสัจจะก็ได้เนาะแต่ทีนี้เพื่อต่อยอดในทางปัญญาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็เพียงแต่รับรู้ได้ว่ามันมีอาการอย่างนั้น ให้ผ่านการรับรู้แล้วแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดตอนนี้หรือเกิดตอนไหนก็แล้วแต่มันเพียงแต่เกิดขึ้นให้รับรู้ให้รู้ให้เห็นแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปนั้นที่เราฝึกทั้งหมดก็คือฝึกให้มีตัวรู้นี่แหละคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏแล้วก็หนับไปไม่ได้ยึดถือต่อสิ่งใดได้เพียงแต่รู้อย่างนี้ก็เรียกว่ารู้แล้วปล่อยรู้แล้วทิ้งการที่ รู้แล้วไม่ยึดนี่แหละคือการปล่อยวางตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือว่าทั้งปวงนยไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลหรืออะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นที่มันให้ผลอย่างนั้นก็คือแค่รู้แค่ทราบ พ, พอแล้วก็ผ่าน <พา S 1> อยู่รู้สึกตัวกับปัจจุบันกําลังคิดกําลังนึกกําลังมีอะไรแบบมาให้รู้อีกก็รู้ต่อไปแล้วก็ผ่านไปผ่านไปมันสร้างกุศลได้แต่เราก็ไม่ต้องยึดมันใช่ไหมพระอาจารย์ทุกอย่างไม่ยึดหมด แต่ปหรืออกนย่อมเกิดได้เพราะว่ามันเป็นธรรมปรุงแต่งเนาะมันไม่เที่ยงแล้วก็แค่เห็นมันรู้มันว่าอ๋อมันก็ไม่เที่ยงกุสนก็ไม่เที่ยงนะกุสนก็ไม่เที่ยงรับรู้แล้วการรับรู้นี่มันรับรู้ด้วยใจจริงๆเพราะว่ามันมันรู้ได้เองไงนึกออกไหมเนาะมันรู้ได้เองเราไม่ต้องตั้งใจรู้หรอกมันก็รู้ของมันได้ตรงนี้ก็จะรู้เลยว่าธรรมชาติรู้ก็มีอยู่จริงก็ แบบสบายสบาเบาๆก็คือแค่รู้อย่างที่รู้่แหละแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ยึดถือหมดเลยผ่านหมดแล้วยึดถือไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแมันไม่มีให้ยึดแล้มันผ่านพระอาจารย์ครับแล้วก็เราเราจะอมันก็สลับไปมานะพระอาจารย์บางทีมันไม่มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ยั่งยืนเลยครับพระอาจารย์ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวราเบิดทีก็เผลอสติไปอยู่ในความคิดก็เหมือนเหมือนลงละครเลยนะพระอาจารย์ใช่ใช่ความเผลอกับความอันเนี้ยมันก็สลับหน้าทมันไม่เที่ยงเหมือนกัน เแต่สิ่งที่ที่เข้าถึงก็คือว่าเข้าใจถูกเข้าใจถูกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นสังขารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราถ้าไม่หลงลืมเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่ขาดสติหมายความว่าไม่ขาดสติในธํานองที่ว่าเข้าไปยึดถือนะ่ยคือรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่หลงไปเป็นไม่หลงไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสติที่สมบูรณ์ ส่วนในไอ้ที่มันรู้บ้างหลงบ้างแบบแบบโลกโลกทั่วไปนะ่ะอันนี้ยมันก็เป็นปกติธรรมชาติธรรมดาเช่นลืมกินยาลืมใส่เสื้อกับด้านใส่รองเท้าผิดข้างอันนี้มันเป็นปกติธรรมดาแต่ถ้ามีสติสมบูรณ์คือไม่หลงเข้าไปยึดถือในสังขารทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นว่าเป็นตัวเป็นตนตอะไรเกิดขึ้นคือไม่หลงแล้วว่าเป็นเราคือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นมันเข้าใจเข้าคือมีปัญญาเลยคือโหมันเป็นอย่างนั้นเอง ตรงนี้ยเป็นสติที่สมบูรณ์คือคือมันมันไม่หลงไนงะไม่หลงผิดไม่หลงยึดไม่หลงเป็นไม่รู้พอเข้าใจไหมเราะว่าเ<ช> ร, รพูดง่ายแล้วนะแต่ตัวโอทมันางทก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเห็นครับแต่ว่า<ช><ๆ>อย่างที่ป๋อเขาถือว่าต่อให้เกิดเรื่องดีเนี่ยมันยึดมามันก็กลายเป็นทิฏฐิอีกแบบหนึ่งนะอาจารย์ก็อก็ถูกป๋อเป็นทิฏฐิเขาอุปทานแล้วก็ถ้าไม่มีสติก็ไปตัดสินชาวบ้านนี่ก็ได้ใชไหมใช่ใ่ใช่ใช่เขเคยเป็นป๋อก็ต้องดูอีกเนาะ ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะอย่าวัดใจตัวเองบ้างกันเถอะเออเรียนรู้สังเกตที่เป็นปัจจุบันที่มันกําลังมีกําลังปรากฏเนาะโดยเฉพาะถ้าใครรู้จิตรู้ใจเป็นเนี่ยก็ถือว่าก็ก็ดีเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในจิตในใจหมดเนาะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในจิตแล้วเวลามันดับไปมันก็ดับในจิตเนาะเออมันก็ดับตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเรียนที่อยู่นอกตัวเท่าไหร่หรอกไอ้นอกตัวเนี่ยมันก็โอเคเรียนได้แต่ เพื่อความพน้นทุกเนี่ยมันต้องเรียนที่ตัวเราโดยเฉพาะในจิตในใจซึ่งมีอะไรมันผ่านมาถ้ามีสติเห็นหมดก็เห็นการเกิดเห็นการดับก็แค่นั้นเองไม่ได้ไปจาัด ก, การไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันอู้แต่มันดูยากเหมือนกันนะอาจารย์บางทีมันก็ต้องไปดูที่กายก่อนก็ก็ถูกต้องแต่ว่าอ น, นี่พูดถึงกรณีเนาะกรณีว่าถ้าดูเป็นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเออก็ดูตรงที่ดูเป็นแล้วแหละแต่ถ้าไม่เป็นก็มาดูกายก่อนกายเคลื่อนไหวใจรู้เนาะ แล้วก็จิตทิเข้าใจรู้เนี้ยก็คือรูกายเป็นฐานหลักอกายาังตองปรัชนาไปก่อนคือฐานกายเป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนจุดเริ่มต้นแต่จริงจริงอะต่อไปมันก็ครบทีฐานนั่นแหละคือคือคือคอย่างผมก็จะกลับมาลหมหายใจเป็นระยะระยะเยะๆๆ่างี้งอาจารย์ก็แเกิดว่า เ, เราใช้ชีวิตประจําวันไปอ่มันมันก็เถอเพลิดเพลินไปตรงนั้นตรงนี้บ้างก็กลับมาเป็นระยะใช่ไหมฮะแต่ถ้าสักทักมันก็จะอะไรพวคุณใช่ไหม แต่ทีนี้เรื่องดูลมหายใจนะหลวงพ่อเน้นนะว่าทําไมต้องดูลมหายใจเพราะเขาฝึกสติคือฝึกให้มีตัวรู้รู้อะไรรู้ลมลมเนี่ยมันไม่มีความรู้อะไรเลยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีความรู้คือมันไม่รู้เรื่องแต่ตัวที่รู้ลมเข้าลมออกนี่คือตัวสติหรือว่าตัวจิตรู้เพราะฉะนั้นเราฝึกไม่มีสติเราไม่ได้ฝึกลมเนาะตรงนี้สังเกตดีๆนะโอะมันทาไห้เราเห็นตัวรู้ก็คือตัวนี้ใช่ไหย คือมือนแบบว่าทําให้ทําให้รู้จักตัวรู้เพราะว่าขนาดที่ตัวรู้ไม่มีเนี่ยลมหายใจมันมีอยู่แต่ว่าไม่รู้อย่าหลมงพ่อหลวงพ่ออาพูดช้าๆเนาะลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีอยู่ใช่ไหมก็ยังไม่ตายเนาะแต่ทีนี้ถ้าขนาดใดที่มีลมหายใจแต่ไม่รู้อย่างนี้ก็เรียกว่าขาดสติแต่ถ้าขนาดใดมีหายใจแล้วก็รู้ได้อย่างนี้มีสติแต่ไม่ใช่ว่าสตินี้จะเที่ยงบางทีมันก็ไม่รู้อยู่ดี เนาะเพราะถ้ามันรู้ตลอดอ่ะมันก็เที่ยงเพราะฉะนั้นสติเองมันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงว่าเออมันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเนาะก็ถูกกล้องแล้วเออมันดีก็ร้อนใจพระอาจารย์วันวันหนึ่งดีวันหนึ่งแป๊กไปก็แสดงว่าในตัวเราเป็นผู้หวังไงหวังหวังจะให้ดีตามใจหวังเนาะคือมันมีความกิเลสตัณหาความอยากไงอยากให้เป็นไปตามที่เราต้องการ พอไม่เป็นไปตามใจอยากผิดหวังก็คือเป็นทุกข์คับแค้นในใจแต่ถ้าเราปฏิบัติด้วยการไม่ปรารถนาสิ่งใดเพียงแต่ว่าฝึกรู้ตามความเป็นจริงก็คือมันเป็นยังไงก็คือรู้ตามที่มันเป็นอย่าได้คาดหวังอย่าได้หวังเพราะความหวังอ น, นั้นเลยมันอาจจะเป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้าไม่หวังอะไรคือรู้ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นอย่างเนี้ยจะไม่ทุกข์เลยจะไม่ผิดหวัง <c oughs> ไม่ผิดหวังเออในในบทสวดไม่นี่ คิดอะไรไม่สมความปรารถนานั่นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเออหวังสิ่งใดแล้วไม่สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยการหวังหวังแบบเพื่อจะให้ได้มาจริงๆเนี่ยยังไงก็มันผิดหวังอยู่แล้วเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงฉะนั้นเพียงแต่ว่ารู้ซื่อๆรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันไม่ต้องหวังอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าดับความดับความปรารถนาดับนิจฉาโตปารินิพุโตนะถ้าเราเคยได้ยินเนาะเอออนะไรนั้นหยุดความปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ย หวังนิพพานนี่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าเวลาไม่ได้นิพพานมันคับแค้นใจไงหวังพ้นทุกข์แล้วมันก็ไม่พ้นทุกข์ก็ริงครับแค้นใจเพราะฉะนั้นรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องหวังอะไรแค่รู้แค่รู้เอาเดี๋ยวหลงวงพ่อต้องขอตัวนะเพราะถึงเวลาแล้วค่ะพระเจ้าเหนือเสด็จไปแลครับว่าทุกข์ค่ะจะถามว่าเคยได้ยินว่านันทะคือความเพลินเป็นอกุศลแล้วาการเพลินในการฟังธรรมะถือว่าเป็นนันทะหรือไม่ค่ะ เดี๋ยวหลวงพ่อตอบเลยนะยังอีกนั่นที่เนาะไม่ใช่นันท่านเนาะคือถ้าฟังธรรมะเพลินแต่ลืมตัวอย่างนี้ก็เป็นนันทิเป็นเป็นหลงเหมือนกันฟังจนเพลินจนซาบซึ้งแบบแต่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าตอนเนี้ยมีตัวอยู่หรือว่าไม่รู้สึกเลยว่าตอนเนี้ยอาการของจิตของใจมันเป็นยังไงอย่างนี้ก็เพลินแล้วอืเพราะนั้นต้องรู้สึกตัวถึงจะไม่เพลินถึงละนันทิได้